พระธรรมเทศนาโมโหสดจาดกจอมปราถแห่งมิถิลาผูกดีสาวศีฟังแล้วเกิดพยาปัญญาพระอุเชาลาเตรียบเรี้ยงใหม่จากตนฉบับปืนเมืองโดยปออินสม ช, ชัยชมภูปเปลี่ยนธรรมุกประโยคนักรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชีงยงใหม่อะโม ตัตสาภากาวโตอารโตสัมมาสัมพุทธัสสอาทาโคจุลานิราชตัสวัจานัสสตวจินเตสิต สาธวดุราสปุริตาตั้งลายตั้งยิงใจหนุ่มเทาอันมานังเฝ้าฟังธรรมจุงดาจาติดต่อตามบาทคอบาลีวาทาโคจุลนีราจาดังนี้เป็นต้นบัดนี้แดเตอ อาทาโคจุลนีราชาอันว่าพญาจุลนียดใหญ่ฟังดอพระติวัยบุญมีไขาวาตีเก่าท้อยยอนาังยอดซอยดันตาดังดังโซฟาเว่นฟ้ามาอยู่ต่อหน้าตาตนใจเริ้นหลยแหลกขนนิ่งแผ่ไปมา ว่าคนดั่งดา้อยไ่เอาดังมาบอดได้ดีดีเว้นแต่บโหสถเสนาบอดีผู้ฉลาดอาจนํำดังดาตขึ้นมาเจ้าปารายยศใหญ่ตุกเอาไม่เลือลายดังจักตายมวยมั่งบนหลังจ้างไปสานดอกโพธิญาญยศใหญ่หูแจ้งไขขีญยา จิงจักจะบอกเล่าว่าแขกคาแด่เจ้าห่อใจกันยามใดตัวคาใดปอกนาเบื่อเบืองจักส่งนางบุญเรื่องยอดซอยลูกกอดน้อยสายตาตั้งแม่ผาญาผู้เท่ามาเท่าวายเต้าเจ้าสับ ป, ปันขอเจ้าห่อจันที่ราชอย่าไม่หมดมองใจ อย่าไลยหลาหลากกันชีวิตข้าหากยังมีบ่าตายเป็นผีตานขาได้ไหวนาขึ้นหลังจักส่งยังดังนาฏโอรสราชบุตตาตั้งแม่ผาญายศใหญ่มาถวายต้าไทายตามคำเจ้าหอคำฟังแล้วใจฟ่องแผ่ใจบาน ทุกมองผ่านลายลาก็ไกยผากเบาบางเจ้าหอกขวางยดใหญ่ขะนิ่งไขไปมากู้เฮอเสนาหนุ่มเทาวังแวดเฝ้าแหนกันยังสี่จอมควันเจ้าฟ้าบอกเฮือผากนาไปไหนหืออยู่ไหนภาสาตีห้องราชใสสีส่วนอุ ป, ปการะปุรีนิสัย กูเหืลอล้อมไว้จูายเสนาหลายมวนหมูวแวดเฝ้าอยู่ใหญ่ๆเป็นสันใดนั้นเล่าบะโหสดเจ้าเสนาบดีไปลักเอาหนีมาได้ถ้าวายแก่เตาาไทยวีเตหราชาแล้วส่งพญา ย, ยดใหญ่ตั้งไผ่ไตริป น, น้ำสี่ตนเจ้าฟ้าออกหนีกว่าไปปั่น รีพายพันไปสู่ยังที่อยู่เดิมมาคือมิทิลาเบื้องใหญ่มันเยีาใดสันใดบ่มิไผ่สักผูจักใดหูและหัน รอยตัวมันนั่นใสหัวแจงไข่ติปมุนบังตาขนน้อยใหญ่บอกเฮใดเล่งหันควรทำมันคือหูมันเตียงอูตามบีเต้าจุลานี้เกิดแล้วก็อามเจ้าดอกแก้วบุญภายว่าตนคำใจน้อยเนตหูมณ์วิเศษบังตาหรือบนยาสวัสวดจบฉาลาดสันได เจ้าก็ใข่ตอบทอยว่าข้าแดดตาอ่อนยอดซอยห่อคำอันว่ามนยำคนใหญ่ข้าหากใดเห็นมาคือภาญาจบจดโอ้แจงรอดจูผักการยยาหำสึกหานแวดไก่เรือไัยหยาใหญ่มีมาย่อมปิจารณาคึดสอดมือได้รอดสดสดี รีปนขามีหลายหลากจูผู้หากจบทองหูทรีปองแต่งไว้ยังการน้อยใหญ่จูอันอันข้าฮื้เข่ามันนั่นใสคุดอุมโมงใหญ่เจียงคานฮื้เตาผู้บ้านบิเตฮราตังอามาตโยธาตั้งสีพาญาเจ้าฟ้า ได้ฝากนาดีไปเจ้าห่อใจจุลนิราศฟังเจ้าน้อยนาดไข่ปั่นนินไข่หันแต่ใส่ยังอุโมงใหญ่เจียงคานโอโหทีญานบนกวางหูใจเจ้าจ้างห่อคําจริ่งไขกําบอกเล่าว่ากันเต่าเจ้าห่อใจ ยินมีใจไข่พ่อฮือแจ้งต่อสายตาจุงฮือสัญญาอย่าจ้าว่าบอคำคาแต่งฟันฮือคาดับขันมวยมังได้สืบส้างไม่ทีคายินดีป่าเต้าเข้าสู่ดาวไปในเจ้าหอใจฟังแล้วใจฟ่องแผวเจยบาน คือปาติญาณบอจ้าว่าบอคำคาราวีขอเป็นไม่ทีมิรแก้วลืมเรื่องแล้วเดิมมาหนอพุท ธ, ธาน้อยนาดหัวหลาดเหลือคนก็ฮือรีปนแกนใจใครพระตูนใหญ่เรียวไวคือเจ้าหอใจจุลนิราศ ตั้งอาบา์โยธาและเสนาวนหมู่เข้ามาสู่ปุริเจ้าบุญมีรีบพาวลงจากดาวพังกาแล้วรีบมาตีไกตนเต้าไทยจุลนีไขว่เตี้ยรับตอนตามรีดก่อนกองทาแล้วก็นำเต้าไทย ลงอุโมงใหญ่เจียงคานเต่าภูบ้านลายหลากร้อยเอดหากเป็นไมายโยธาลายมวนหมูมก็หลังลูตัวไปก <c oughs> วนอาซาจันใจลายหลากอุโมงหากดูงามกมุมไปตามแจ้งสองไขจุห้องนะอาณาพ่อตามฟ้าจุแห่ง มีรวบแต้มแต่งลายสีดูงามดีลายลาพอแล้วหากปาเป้าจุ่มมู่เขาพอค่อยต่างจึงจอยหัวใจในปายในนันไซมีห้องน้อยใหญ่นำนากะนานาเป็นแก่นร้อยเอ็ดแม่นเป็นไมรีปนลหลมวนหมูบอ่อเกยหูและหัน ต่งางปากันสั้นพอออกปากต่อเนื่องนั่นเจ้าห อ, อจันจุลนีราดก่อยง่ายบาทกาไก้เจ้าห่อใจไปนาเจ้าดอลาจ้อมหลังเสียงอึ้งอังสาเศ้า ส, าสนันดาวไปในเจ้าก็ไขบอกเล่าแก่เต้าเจ้าจุลนี ว่าอุโมงดีนี่ใสมีผ้าตูน้อยใหญ่เดือลายข้าฮื้อหม่แต่งไว้ไครฮับไขจอมกันไก้หนึ่งอันบ่จ้าไ <c oughs> ข่พร้อมดาสาปันไก่แถมอันหนึ่งไส่ฮับพร้อมไกตั้งใจตั้งปมไฟมวนหมูอันตั้งอยู่น้นำ คาฮือกาตำแต่งไววฮือลูกดับใดไว้เรียวใกล้อันเดียวไหวว่องแจงตัวห้องสับปันใกล้แถมอันหนึ่งใสไฟดับไข่ดีลีเต้าจุลานีที่ราดก่อโอกาสไข่าจาซึ่งนอพุทธานุ่มเนา ว่าตัวแห่งเจ้าเสนาบดีพัญญามีองค์อาจบชาลาจูพการอยู่สถานตันเต้าตนภาพดาวเมืองใดย่อมเป็นใจหลาบใหญ่ป่างหือใดสดสดีแล้วใครว่าตีต่อถอยยอคุณเจ้าหยอะซอยนานา เจ้าก่อปาเจ้าฝ้าก้อยเตี้ยวกว่าพันพายบ่เหมือนลายสักกาก็ถึงปากอุโมงอันขุดลงต่ำไตที่จิมไก่งกาเจ้าก่อปาเต้าไทยออกอุโมงใหญ่เร็วปั้นฮต้นหอจันเจ้าจ้างอยู่กลางควงกว่าง้านามเจ้ากิงร้ามกวาดหัว่าบัดนีหมูโยธา มีนำนาน้อยใหญ่ลงอยู่ใตออ้อุโมงค์หนอพุทธองค์หนุ่มเนาไก้ผาตูเหล่าสะพันผาตูจูอันน้อยใหญ่หับพร้อมไข้ตัณใจไก่กมไฟแถมเล่าไฟมากเต้าดวงลายบอดับหายเสียงคอดดวดมืดบอดตตนตาอุม ป, ป่ามาเปียกไฟดังโลกกันตาลรกใหญ่ดีลี เจ้าปุรียอดเย้าร้อยเอต้าเป็นธาราตั้งโยธาวมวลหมอันตกอยู่ภายในต่างมีใจสะตานกึดผ่านยานกว่วตายบ่มีหมายออกใดผ่งองร้องให้เววาเกามีหันได้นาะ เมื่อนั่นโพธิที่สัตว์ตนอง์อาจบชาลาดเหลือคนก็เอาดาบตนเทียนใหญ่อันฟังไว้วันว่า <c oughs> เอาออกมาไว้วาดหกขึ้นอากาศเดียวไว้สูงเหลือใจลำหมอกสิบแปดศอกเป็นทาราแล้วลงมารีภาว กำแขนเต้าจุลนีแล้วไขวาตีทำเหลาวาดูราเต้าเจ้าจุลนีอันวาราเจ้าปุรีน้อยใหญ่ตั้งอยู่ไขจุมปูข้าดิ่งดูใหญ่กว้างเป็นของเจ้าจ้างองค์ได้หรือเป็นของไผแต่ใส่อเต้าไทยเดี๋ยวปันรีบไขปันเกาอู่เฮข้าหูตามี เจาจุลานีเจ้าฟ้าตกขาปาเเลือลนหลย้อนกว่าตายกาดก้อยจริงตอบถอยเร็วไว้ว่าจุ้เบี่ยงใจมาเท้าเป็นของเจ้าคนเดียวขออย่าเร็วฟันฟาดคือคาก้อยกาดเป็นพีขอภานี ภ, ย ภ, ยภยนัยพอดือปนโตตั้งตายเจ้าบุญภัยน้อยนอกก่อต้านต่อกำไป ว่าขอเจ้าหอใจยดใหญ่อ ย, ย่าร่อนไมกวัวตายคาบหมายข้าเต้ า, ตาือลมเต้ากลางสะ า, ามเต้าลองจำเฮือพอได้แจ้งต่อสายตา <c oughs> ว่าข้ามีพระญาองค์อาจจบชาลาดสันใดกันจะไขเบียนแล้วก่อนยืนดาบแก้วคมบาง เจ้าหอกควางบอกจ้าว่ากันไข่คาแต่งฟันจุงเร็วฟันอย่าจ้ารีบฟันคาเร็วไว้หรือมีใจายโพอดจากงดโตดเดิมอ่อนขอเต้าผู้ทนอย่าจ้าอาภาัยแก่คาบัดเดียวเต้าก็เร็วงดโตดว่าบอกคิวโคตเครื่องขี ขอเป็นวิธีติดต่อสืบสร้างก่อนานไปเจ้าสายใจยอดซอยกอตอบทอยไข่กํมว่าขอวางตํามกอดตอ ด, ดอันไร่โหดเดิมมาต่างป้าติญญาคามสู่ต่างรับรู้อาภัยว่าต่อไปไปนาบ่อคำคาเบียนกันเจ้าหอจันบ่จ้า คืนดาบกาคมบางหืีเจ้าบุญขวางดังลกาวแล้วตานเล่าจะทำว่าตนใจรำน้อยหนาจบฉาลาดเหลือคน <c oughs> มีรีป้นหลายหลากจูผู้หากเหมือนใจเป็นสันได้นั้นเล่าตัวแห่งเจ้าบุญจูบ่อภาพจุมปูใหญ่กวาง เป็นเจ้าจ้างอง์เดียวเจ้าก่อเรียวต้านก่าวว่าจักเป็นเต้าเอกราชาย่อมข้าพัญาหน่อยใหญ่กันค้ามากักไฟใจวันจักเป็นวันนี่ัสเตียนย่อมใดดังหมข้าคนไทยนั่นสดเป็นบาปไร้โหดนำนา ผู้มีผาญาฉาลาดย่อมบอกอาจกระตำย้อนกัวกรรมสงอยู่ลงไปสู่อาบายจริงบอกหม่ไฟอ้างคายัางจังเอางาและนาะ เหื่อนันพ ญ, ญาจุลณนีที่ราดก่อโอกาสไขจาว่าคนนำนามวลหมูอันข้างอยู่ภายในเตียงไตไปจุ่ภูบอกข้างอยู่ดีดีแม่นจักดีปิกปอกบอกหูออกตั้งใดขอเจ้าใสา่ใจหยดซอย ไอ้าตูใหญ่หน้อยเร็วปั่นฮหือเขามันบ้วนหมูปนหมูหมูวำวายเจ้าบุนภายยดใหญ่ก่อรีบใกล้บัดเดียวผาตูเร็วไขออกตั้งไปนอกไปในแสงกมไฟส่องแจง้งไข่จู่แห่งสบปัน่นเขาป้ากันจืนสู้ไหลหลังลูพดมา ตั้งเสนาหนุ่มเท่าตั้งเต้าเจา้าหอจันต่างปะกันไปเฝ้าซึ่งหนอพระเจา้าทารงยานอันพงสำหรญอยังย่อนอยู่ในบ่นศาลากับผ า, ายานยศใหญ่คือต้าไทยจุลานีเจา้าบุญมีหอดซอยจิงตานทอยไข่จ้า ว่าอุตสาภิเศกอติเรกมงคลยกย่างตนลูกเต้างามอาข้าวปัญจาลจันทีฮือเป็นเทวีแนบคางแห่งเจ้าจ้างวีเตหราาในศาลาที่ใสแล้วฮือไผ่ไตคนในรีบเร็วไว้ส่งเต้าไปสู่ดาวบิทีลา ส่วนพันยาลายหลากร้อยเอ็ดหากเป็นไม้ไม้ใหญ่ยหญ่แวดเฝ้าก็เก่าส่งเจ้าบุญจัว่าจุมหมุตุใหญ่น้อยบ่อกาดก้อยวำวายนอนเจ้าบุญภายยอดใหญ่ได้ช่วยไว้ดีรีกันเจ้าบุญมีหอดซอยบ่อไฟห้อยคุณนา ได้รอร่าละไว้บอกไห้พระตูน้อยใหญ่ปันหมยตูตั้งหลายมวนหมูเตียงห ม, มูจูคนคนหนอตาสะปนตานกล่าวว่าเราจวยเต้าตั้งหลายปนตั้งกายมวยหมอดได้อยู่รอดเป็นคนบ่อใจหุนแต่กี่คือบัดนี้หุนเดียวเราได้เร็วรีพาว ช่วยังต้าตั้งหลายบอกเฮอตายกาผากแต่ก่อนหากยังมีเจ้าปุรีหนุ่มเท่าก็ถาเจ้าบุญนาว่าเมื่อใดจาขอกล่าวฮือหูข่าวเยา่อไปเจ้าก็ใครบอกเล่าบาปางเมื่อเต้าเจ้าจุลนีนำเจ้าปุรีมวนหมู่ เข้าไปสู่อวิญญาณแสงดาอาหารเข้าเหล่ามีหมากเต้านำดาแล้วเอายาปิดใหญ่ผสมใสจู่อันอันกันเจ้าห่อจันน้อยใหญ่บ่อหูไข่ขี้ยาสะเบ่ยโพจนะเข้าเหล่าของอื่นเหล่าเรือไหลเตี้ยงจักตายมวยมัง บอ่อหลอข้างคนได้ข้าจริงไว้บอ่อจ้าฮือพวกกาเตรียมใจไปต่อยห้ใส่เล่าตั้งโมเข้าอาหารตกดินด้านแกมฝุ่นเป็นมุกหมุนดินทรายเต้าตั้งลายหนุ่มเท้าบอ่อหูเก้าความในยินมีใจโคตรกา ดาวาคาดน า, าเจ้าปาราหนุ่มเทาได้นินเจ้าไขาปันก่อป้ากันน้อมไว้ถามเต้าไทยจุลณีว่ากำเจ้าบุญมีเก่าวจี้มีแจงทีสันได้เต้าก็ไขเก่าแก่ว่ามีเตียงแต่จูพาการ ย้อนเกวัตอาจารย์ผู้เท่าใดบอกเล่าอุบายเราจริงคงควายแต่งไววตามบันไดไข่ปันเจ้าหอจันนุ่มเท่าใดหูเก้าขีญยาต่างสมมาจจัดจุมจื่ปีติตื่นเดือนหลายต่างพันภายเข้าไก่กอดเจ้าไว้บัดเดียว แล้วรีบเรยวบอทจ่าถอดเครื่องงาอลาัางการของเจียงขานมาเต้าถท้าวายแก่เจ้าสับ ป, ปันนอคุณท่านยอดซซ <c oughs> ่ก็เกาทอยไข่จากผาญยาจุลานีราดว่าขอยาไม่มาดเครื่องขี่ขกรรมบดีนั่นใสย้อนคนถอยไรน้ำตาง ขอเจ้าหอควางยดยาวหือหมู่ต้นานานาได้วางลางดโงโตดันไร่โหดเดิมอ้อนเต้าผู้ทรจุลนิราชฟังเจ้าน้อยนาจากใครจริงเดวว้ต้านกล่าวซึ่งตันเต้าตั้งลายอันนั่งยายอยู่ไกลว่ากำถอยไรายสามาน ย้อนเกวัตอาจารย์บาปเราได้บอกเาราไข่ก ร, รมเราได้กาตั้มแต่โสดคอยกโตดมันเราย้อนมัวเ ม, มาผาหมัดบอกคิดขวาดกองทาเจ้ า, จาหอคำหยดยาวร้อยเอต้าวเป็นทาราฟังพัาญาจุลนิราศได้โอกาสไข่ปัน ก็ปะกันก็ตอดบ่อคิวโคดเครื่องขีขอเป็นไม่ทีก็เกืือเสือปรังเรือนานไปเจ้าหอดใจจนลนิราชก็ฮืออามาดโยธาตั้งพาญามวลหมูมวลเล่นอยู่ตามผ้าทรงในอุโมงอันใหญ่เจ็ดวันไข่เติงตัน จิงป้าดอกคุณทันยศใหญ่กับเตาวไทยนาตาตั้งโยธามวลหมู่เข้าไปสู่ตระปัญจาลานากรเกะมีฮันและนาจากนั้นผาญาจุลนีราชคันิงขวาดไปมาไข้ ห, หนอพุทธาบุญกว้างรวมก่อสร้างเวียงใจจริงจะใครบอกเรา ว่าดูราเจ้าเสนาบดีขอเจ้าอย่านีขึ้นสูนงต้อยู่เมืองหลังย้อนระวังใครใดเฮืออยู่ใกล้เตรียมองค์ <c oughs> ในหอคงภาษาช่วยกึดขวาดปิจารณนาอนย่างการนำนาน้อยใหญ่เราจักใส่ตกปันยังรางวันมากเตา ยิ่งกว่าเต้าเจ้าวิเตหราชเจ้าก็จะตอบทอยว่าข้าแด่เต้าหยดซอยหัวใจคนผู้ใดนั่นเล่านี่จากเจ้าเก่าเดิมมาแล้วไปหาเจ้าใหม่ย่อนใครใดอลังการยดเจียงคานมาเต้ายิ่งกว่าเก่าเดิมมา คนมีพระญาองค์อาจจบชาลาดกองทำบ่อกระตำแต่ใส่ ย, ย่อมเว้นไว้เสียไก่กันข้านิ่งในกิดขวาดย่อมไม่มาเตรรอนตนตีนตนตัวเก่าร้อนไม่เอาเลือลายคนยิงใจได้หูย่อมเก่าอุนินตา <c oughs> ข้าบอพอพาธานาอยู่เฝ้ากับเต้าเจ้าเมืองใดเว้นเจ้าห่อใจวิเทหาราเชเจ้าภาสาตมิทิลาข้าอาศาอยู่ไกลตั้งแต่ไทยเดิมออนกันเต้าผู้ทอนวิเทหาราชบอกก้อยกาดบำไวย ข้าบ่ใหม่ผักดาวไปอยู่กับเต้าเมืองได้เจ้าห่อใจจุลนิราศฟังเจ้าน้อยนาดจะใครนินมีใจจืนจอยจริงเก่าวถอยว่าตีว่าคอเสนบาบอดียศใหญ่จุงเก่าไว้ปฏิญาณว่ากันเต้าผู้บานวิเตหาราช ใจกอยกาดมารณาเจ้าจากมารีพาวกำเราเต้าเซวยสีนอมูนีบุนกวางก่อเก่าอ้างปติญญาว่ากันข้านีนายังอยู่บ่อมุบหมู่เมื่อบอนจักเตียวจรรีพาวมาอยู่กับเต้าตมกัม นอคุณทำนมเนาอยู่กับเต้าเจ้าจุลนีเจ็ดวันมีมาไข่ก่อขบับไมทุนสาเพื่อไก่กาขึ้นสู่ยังติอยู่มิทิลานกรแลยนะส่วนพ ญ, ญาจุลนียศใหญ่ก็วางใสตกปันยังรางวันมาเต้าแก่เจ้าบุญนำคือว่าคำลายลาก ปันนข้าหากเป็นหมายบ้านสวยลายเรือลากแปดสิบห้าบานหากเป็นทาราในปาราต่างดาวแดนเขตเต้ากาซีห <c oughs> ว่ยไรมีเป็นแกนปีหนึ่งแม่นแสนคำตาสีนำลายลากสี่ร้อยหากเป็นทาราตังภริญญาหนึ่งร้อย คือเจ้าหนัดน้อยบุญพายเครื่องใจลายจูสิ่งย่อมกายิ่งเจียงคานหน่อโปธิญาณบุญใหญ่ก็รับไว้ตามธรรมแล้วใครกัมบอกเล่าขอเต่าเจ้าปุริยาเครื่องขีไม่มารหรือคึดขวาดข้านิ่งหายงราตจันญาลูกเตา่า ตั้งแม่เจ้าใสา่ใจกันข้าไปรอดแล้วยังเบื้องแก้วมิทีลาจักส่งมาบอกเจ้าพ้อทวนนาจอมกัน <c oughs> เจ้าหอดฉันจุลนิราชก่อหืออาบา์โยธามีนำนามากเต้าไปส่งเจ้าบุญมีส่วนเจ้าปุรีต่างดาว ร้อยเอตเต้าหอจันก่อปะกันแวดเฝ้าปู่จะาเจ้าบุญนาด้วยของนาณาลายหลากย่อมก้ามากเดือลหลจุมคนใจแก่นใจร้อยเอดไข่เป็นทาราอันตนบุญนานุมเนาส่งไปเฝ้ารุมรายังพญ า, าต่างดาวเปื่อฟังข่าวความใน กอเร็วไว้มวนหมู่มาแวดอยู่เป็นปริวานตอโป้ทียั น, อ น, นยอดซอยก็ก่าวทอยอำล า, ายาังพระญาจุลนิราชตั้งอาบาดคนใดตั้งเจ้าห่อใจยอดยาวร้อยเอตา้าปููบ้านแล้วนำปริวานวนมากออกไปจากอุต ร, รประเาลานากร กันเที่ยวจอไปรอดได้ยังจอดแดนได้มีสวยไร้ลายหลากอันเต้าหากปันไมายกอหื่อใจแกว่นใจไปเก็บไข่ลำมาได้คำขาหลายหลากแสนหนึ่งหากเป็นมายกันรีปนไลายหูหอดกอยังจอดสำรานบ่อปอนานแต่ใส่กอรอดเมืองใหญ่มีทีลา ใจเตรียมตาแก่นใจก็รีบสาใสไปปั่นแล้วไข่ปั่นเกาอูนเสนากาหัวตามีว่ามะโหสตเสนาบดียดใหญ่ยกไยไตโยธามีนำนามวนหมูบอกมาสู่เวียงใจขอจุงไปขับไว้บอกเต้าไทยเร็วปั่น เสนาการันรีพาไปบอกเต้าตามกำเจ้าหอคำวิเทหาราชบบอเสียงขาดสังกาจิงไก่กาไปส่องตีนาป่องเบ่งจอนพ่อนนากรไปนอกดาสุดขอบสายตาหันโยธาลายแล บ่อหูแน่เป็นไผหลวดมีใจเอาไม่สะตานไข่อินทีว่ามาโหสดเสนาบอดีนันไซมีไผยไตโยธ า, าบ่อนำนามากเต้าร้อยเต่าเจ้าจุลนียกมาตีรบภาพเกินขนาปราราเหตุเสนาสีมูไหลมาสู่สะสม คือรีปนหมู่จ้างตัวเอกอ้างไปสาน ร, รถเจียงคานน้อยใหญ่รีปนไตเตี้ยวตินมาเจียงจีนหลายแหล่เต็มจูงแงสถานขออาจารย์สั้นพอหฮือแจ้งต่อสายตาแล้วใครจากเก่าเฮือเรารู้บัเดเนียวเสนากะเร็วรีบหา ยาตามเต้าไข่ปั่นแล้วเรียวปั่นกลมเก่าบอกเต้าเจ้าจูพาคการก็มีหันเลนะเนติตังขีญยาสังวันนาวิเศษจ้าห้องเหตุมโหสถผูกเสาสี่ก็ถึงตีเสาซา กันจักจ่ายาวแก่เนี้ยป่อแม่เอาอาจักเมือ่อยกาญาลายลากพ่องอยากมาอยากควันพ่องไข่พันขึ้นสู่ยังตีอยู่เกาหาจิงขอวางลาเต้าอีเต่านีิวาดวางลงก่อบังกมสมฤตเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล